เอ่ยกายของเรากายนี่ก็เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนั่นเพื่อให้เกิดความรู้กาเคลื่อนไหวใดๆเรื่องของกายไม่เกิดความรู้อย่าไปเคลื่อนไวหวให้มันเกิดอย่างอื่นส่วนไหนก็ตามเรื่องของกาย่นลมหายใจการพิบตาการคลืนน้าลายการเดินการยืนการนั่งการนอน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 ไตสะพานที่มีเราจับนั่นไม่หลุดไม่โหลนง่ายหรอกเพราะรูปแบบของเราพอชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วเอืดอตไว้ไปมาเนี่ยมือนี่มันก็มีจริงๆริงรูปแบบมือคว่ำไว้บนเข่ามือตั้งไว้บนเขามือยกขึ้นมือกลับไปกลับมามันมีอยู่จับไปเกาะไปติดไปให้มันติด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 มทเรียนมาอยู่ตรงนี้ด้วยยาปฏิเสธบางคนพอมันชิดขึ้นมาก็ยุ่งกับความคิดไม่อยากให้บันชิดก็คิดอย่าไปข้องแวะแบบด้านการปฏิบัติธรรม้าจะเป็นการเจริญสติจริงๆอาจจะยิ้มไม่น้อยเวลามันหลงคิดไปเพราะมันเห็นของจริงของจริงที่มันเกิดความหลงคือเกิดขึ้นกับจิตใจเรานะให้ทําอย่างนี้ไม่สิ้นเปลืองถ้าไปถือว่าผิดว่าถูก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 มันเป็นปุ๋ยทําให้ความรู้สึกตัวงอกงามไป ใ, ในตัวสําหรับพวกผู้เก่านะถ้าหากมีความโกรธความโลภความหลงมันสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกตัวเหมือนปุ๋ยที่ทําให้ความรู้สึกตัวให้ต้นไม้งอกงามอืทุกตอนแหละทําให้เกิดเป็นพุทธความหลงนั่นแหละทําให้เกิดเป็นพุทธะ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 ลายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวได้ในแนวหน้าพอแล้วไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรไม่เห็นมีสมาธานไม่เห็นมีศีลไม่เห็นขอกรรมฐานไม่เห็นอะไรไม่ต้องไปจุดทูปจุดเตียนตั้งเวลาเท่านั้นเท่านี้เพ่งอย่างนั้นอย่างนี้ตีระครังกำหนดเวลาให้ปฏิบัติตรงนั้นเร่งเวลานั่งต้อง8ปชั่วโมงตีละคังพานั่งตีละคังพาเลิก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 นี่คือของกิ่งสากลแห่งธรรมถ้าเรามีความรู้สึกตัวทุกชีวิตที่นั่งอยู่ที่นี่เกือบร้อยคนแต่เป็นคนคนเดียวทุกคนในความรู้สึกตัวเอา้าสงบทันทีสงบทันทีต่างทุกชีวิต ด, ดีความรู้สึกตัวไม่ทําชั่วละความดีจิตบริสุทธิ์ไปเลยไปเลยนะปานนี้นะทำเนี่ย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 เขาก็จับคอมันได้เขายอกมันหยอกล่อให้มันพอมันโฉกมากๆเขามันก็เหนื่อยเหมือนกันพวกงูเนี่ยเคยเห็นเขาเล่นกับงูให้ปล่อยเขามันชกอยู่โชกอยู่สักสามสี่ห้าครั้งมันก็บดแรงเหมือนกันเช่นคนเราที่โกรธเนี่ยถ้าโกรธของเรามันก็บดแรงเหมือนกันบดแรงเหมือนกันอจะได้บรรลุธรรมที่มันหลงเราก็ได้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 ไปเป็นพงพวงจับอันที่มันถูกแล้วอัดอื่นก็ไปได้หมดเลยไม่ต้องไปจับหลายสิ่งหลายอย่างเรียกว่ากำมือเดียวปฏิบัติทมเอาเท่านี้ไปก่อนอย่ากลัวว่าจะไ่รู่วเลยถ้ามีสติที่มันประสบการณ์ได้บทเรียนจนแน่นอยู่ในกายสติแน่นอยู่ในจิตใจแล้วอะไรมันจะไปปัญหาต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็จะรั่ไปเลยก็จะหลุดไปเลย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 แต่ถ้าเป็นความรู้เป็นปัญญาแบบทางโลกที่มีการศึกษาแต่ว่าการศึกษาศิกขาคือศีลสมาธิปัญญาทําเป็นศีลก็กำจัดความทุกข์หรือว่าศีลกำจัดกิเลสอย่างยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดนะมันเป็นไปเอง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 จะไม่พาหลงทิศหลงทางโดยเพราะการเจริญสติมักจะไม่หลงนิมิตที่หลอกต่างๆก็ไม่เกิดถ้าเกิดก็น้อยนะถ้าเกิดก็น้อยเกิดก็เจได้ช่วยตัวเองได้ผู้เจริญสติเป็นการเดินดยโดยบนลำแช่งของตัวเองได้ไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปจับไปจูงไม่ต้องไปบอกกันไม่ต้องบริกรรมต อ, อยางหนอขอยาหนอก็ไม่ว่า เอาไปเลยช่วยไปเลยคำพูดไม่ต้องพูดสักคำเขาถึงความรู้สึกตัวเลยบริกรรมก็ไม่ต้องม่เขาถึงความรู้สึกตัวไปเลยสัมผัสเข้าไปเลยถ้าบริกรรมเหมือนกับอะไรมาลองอยู่เช่นเราเอามือมาใส่ถุงมาใส่มือไปจับอา น, นัมไม่ลองไม่สัมผัสความรู้สึกตัวที่มาสัมผัส ก, กับกายนะความรู้สึกตัวที่มาสัมผัส ก, กับจิตใจ ระหว่างกายระหว่างใจมีความรู้สึกตัวเข้าไปเกี่ยวข้องให้กายให้ใจความรู้สึกตัวอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเจ็ดวันมันจะเกิดอะไรขึ้นหึืเราจึงมาทำกรรมมันนี่มาทำกรรมมันนี้ให้กรรมมันลิขคิดไปกรรมมันจะลิขคิดไปกรรมจะจำแนกไปเองถ้าไม่มีกรรมเรามันลิขคิดไม่ได้ตายใจของเรามันต้องมีกรรม อย่างเราสูบบุหรี่มันก็ต <3 God. S 1> <eurs> ิดบุหรี่พอสูบมันยังติดพอติดมันยังอยากพออยากมันยังสูบมันก็เป็นไปทางนั้นมันเป็นกรรมมันนั่นเหมือนกันเรียกว่าวัตตะพอสูบยังติดพอติดยังอยากพออยากยังสูบเราจะไปตัดตรงไหนตัดกรรมตรงไหนอะไรมันเป็นกรรมอะไรมันเป็นกิเลสอันใดมันเป็นวิบากกิเลสกรรมวิบากมันเป็นวัตตะวงกลมเราจะไปห้ามม่ให้มันอยาก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 การเจริญเสด็มันเข้ากระแสนิพพานไปเลยนิพพานไปเลยมันเป็นวิสังขารไปเลยมันทำลายความหลงไปในตัวเสร็จอสังขาราปรมาทุกข์สังข า, าราขขาเป็นทุกข์นิพพานังปรมาสุขงังนิพพานไม่ทุกขนะ์สังขารคือการปรุงวิสังขารคือการไม่ปรุงนะอยู่พร้อมกันเกิดที่เดียวกันเกิดที่เดียวกันแก่ที่เดียวกันนะ เย่ที่เดียวกันสมนม้ำสมเมื่อจึงกิ่งการเจริญสติเนี่ยไม่ต้องไปเภาว่ะโผงไม่ต้องไปหาเหตุหาผลมันเสียเวลานะนี่แหละคือการปฏิบัติเข้มใส่ใจที่จะรู้สด็จตัวอยู่เสมอมาทําวัดสวดมนต์ก็ได้ไปกราบไปฉันก็ได้อยู่กับโมก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ปฏิบัติเดียวอยู่คนเดียวก็ได้ปฏิบัตรกริกับโมก็ได้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 ไม่ใช่ตีละขังบอกคุณหลงล้วนะไม่ใช่คุณพลาดเรานะเครื่องลูกเครื่องหลงล้วนะไม่ใช่คุณจะต้องลูกเองแต่มันพลาดเครื่องหลงเครื่องลูกของก็วางลงตั้งหน้าใหม่วางใบหน้าใหม่ยืดตัวใหม่ตั้งจะหวะใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ให้มันชัดเจนชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยเริ่มต้นใหม่เลยรู้จักเริ่มต้นใหม่ปรับปรับชีวิตของเราให้มันเหมาะสมอยู่โดยชอบ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 แล้วก็ทำได้อย่างนี้จริงๆนะเรารู้สึกตัวทำได้จริงๆแห่มันดีนะแต่เวลาใดที่มันง่วงมันรู้สึกตัวนะึ่งโอ้ทันทีเลยหนะ้ามือเป็นหลังมือฝีมือของเราเองการกระทำของเราเองอย่างนี้ไม่มีใครไปช่วยเราดอกการปฏิบัติทำให้ยืนอยู่บนลบแข้งของตนเองอาใสยตนเองเรียกว่ากรรมคือการกระทาของเราจริงๆ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 ถ้าปัจจุบันมันดีมันจะลี้คิดไปเองเอย่างนี้มาวันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นคําพูดที่พิสูจได้คําพูดหลวงพอ่อสัมผัสได้ไม่ใช่คําพูดให้จําเอาคําพูดไปสัมผัสให้ลู่ศึกตัวให้ลู่ศึกตัวโอ้ลู่ศึกตัวคําพูดออกมาสัมผัสกับกายคำพูดออกมาสัมผัสกับใจนี่คือสอนธรรมสอนกรรมฐานอ้าสมควรใช้เวลา เ, เรากราบพระพร้อมกัน